นักนปฏิบัติคนใดนะตั้งเป้าหมายในตรงนี้ว่าเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์แล้วตรงนี้เราก็จะมีความเข้าใจนะแล้วก็จะมีหนทางดําเนินอย่างแท้จริงนะว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรพอเรารู้เราปฏิบัติเพื่ออะไรเราก็มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายในตรงนี้ ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนลอยนะเราก็ไม่มีเป้าหมายพราะไม่มีเป้าหมายเราก็จะเดินแบบอาจจะไม่ได้เต็มที่นะหรือจะเดินแกว่งซ้ายแกว่งขวาเดินสเสะปะสปะมันก็ไม่ตรงกับเป้าหมายสักทีหนึ่งนะเราก็ไม่มีความเพียรอย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้สวดนะในเรื่องสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเป็นอย่างไร ความเพียงเราก็ไม่เต็มที่เพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายีิแท้จริงคราวนี้อย่างถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วใ น, ในพุทธศาสนานี่ก็มีถึง8ปด0 0สี่พันวัธรรมขันแต่ถ้าจะสรุปลงมาแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือให้รู้จักทุกประการแรกประการที่2ก็ให้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านี้เองนะไม่ได้มีอะไรเยอะไปกว่านี้เลย แต่ถ้าเรายังหาหลักจริงๆไม่เจอเราก็จะคน้นคว้าศึกษาแล้วก็สแสวงหาไปโดยที่เราอาจจะกว้างขวางเกินไปจนไม่รู้ว่าบทสรุปอยู่ตรงไหนคราวนี้ถ้าเรารู้ในประเด็นจริงๆของพุทธศาสนานี่ก็จะง่ายขึ้นว่าก็คือให้เราเห็นเห็นให้เกิดทุกข์ก่อนเนาะ ครา้ น, นี้เหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยก็มีอยู่หลายๆอย่างแต่ที่จะพูดสั้นๆเพื่อให้เราสรุปได้ง่ายก็คือเราทําวัดเช้านี่ทุกวันนัเราก็มีบทสวดอยู่ในตอนตอนทำบัดเช้านะบอกว่าชาติปีทุกขาชร า, าปีทุกขามรนามปีทุกขังก็คือความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ โศกกระปริอเทวทุกขโทมานสุปายาสาปิทุกขาความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดผ่าจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็อุปทานในขันทั้งห้า ก็คือทุกนะว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้านี่แหละก็คือความทุกนั่นเองนะครั้นี้ถ้าเราจับได้แล้วว่าสิ่งใดเป็นความทุกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดนะที่ในข้อที่ว่าโดยย่ อ, อนอุ ป, ปทานขันทั้ง5นี่แหละก็คือทุกขั น, ขนทั้ง5มีอะไรนะขันทั้ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ก็อาจจะแยกเป็นทางกายนะรูปว่าเป็นกาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นใจนะหรือว่าเป็นรูปคำนามนะก็คือกายและใจหรือรูปและนามนี่แหละก็คือทุกขนะ์คร น, นี้ในทางกายเนี่ยก็มีความทุกข์ปรากฏอยู่นะนะก็คือความเมื่อเรามีกายแล้วเนี่ยก็มีความแก่ความเจ็บความตา ย, ยตามมาอันนี้เราหนีไม่พ้นแน่นอนนะ นอกจากความที่เป็นทุกข์ประจําสังขารคือความแก่ความเจ็บความตายแล้วเนี่ยก็มีความทุกข์ย้มาอีกตอนนี้เราบางทีอาจจะนั่งแล้วรู้สึกปวดเมื่อยหรือมีความหนาวนี่ก็เป็นความทุกข์บางทันก็เริ่มมีความหิวมีความง่วงก็เป็นความทุกข์อีกบางคนอาจจะเริ่มไม่สบายเจ็บค้าได้ป่วยก็เป็นความทุกข์อีกอันนี้เป็นความทุกข์ย้มานะ ซึ่งทุกที่จอดมานี่เราก็แก้ไขจริงๆนะเราแก้ไม่ได้หรอกนะเราแค่บรรเทาเท่ า, ทานั้นเองนะเราปวดเมื่อยเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาเดินขึ้นมายืนอ่าก็แก้ได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวเราก็เดินเราก็เมื่อยอีกก็ต้องมานั่งอีกเนาะอ่เราหิวก็ไปทานอาหารเดี๋ยวก็หิวใหม่อนะ่เราง่วงไปนอนอ่าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ง่วงนอนอีกนะนะสิ่งต่างเราเนี้ยเราเรียกว่าเราแก้ให้เขาหายทารวมไม่ได้ แต่เราแก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นทุกในทางกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจริงๆเราแก้ไม่ได้หรอกนะครั้นี้ทุกอีกอย่างหนึงก็คือทุกในทางใจนะก็คือเวทนาสัญญาสัง ข, ขารมิญญาอ่านะหรือใจหรือนามนี่แหละอันนี้นะเป็นความทุกข์ที่จริงๆแล้วมีความทุกข์มากกว่าทางกายนะเพราะความทุกข์ทางใจนี่มันบีบคั้นนะให้คนค่าตัวตายได้เยอะนะ แต่ความทุกข์ทางใจนี้นะสามารถแก้ได้ถาวรสามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงได้อย่างถาวรนะเช่นพระรหันต์นี่แหละท่านก็มีแต่ความทุกข์ในทางกายนะแต่ทางใจท่านก็ไม่ทุกข์แล้วนะเพราะท่านดับทุกข์ทางใจได้เนะพราะฉะนั้นโดยสรุปในหลักพูทธศสนานั้นก็เป็นการศึกษาเพื่อดับทุกข์ในทางใจนะไม่ได้ดับทุกข์ในทางกายแต่เป็นการดับทุกข์ในทางใจเนะพราะนั้น พาาระอรหันต์ท่านก็มีความทุกข์ในทางกายได้อยู่แต่ใจท่านก็ไม่ทุกข์อันนี้นะถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถดับทุกข์ในทางใจเมื่อเราดับทุกข์ในทางใจได้แล้วเนี่ยความทุกข์เราก็น้อยลงไปมากนะความทุกข์ทางกายก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็กลายเนว่าความทุกข์เราน้อยลงนะความทุกข์ในทางกายถ้าเราเข้าใจในการที่ว่าเขาเกิดเช้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็ ทำอะไรแล้วไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็แทบจะไม่อยู่ความทุกข์เลยเนื่องจากว่าเาประเด็นสําคัญที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อความดับทุกข์นั่นเองนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเท่นนี้ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะบัติทำนะไม่ใช่ปฏิบัติทมแล้วไม่รู้ว่าปฏิบัติไปทําไมแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความนะไม่อยากจะทําไม่อยากปฏิบัติกันนะนีเพราะว่าเรา ไม่รู้เป้าหมายจริงๆนะครั้นี้ถ้าเรารู้เป้าหมายตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้เราโชคดีมากนะบางคนอยากจะมาวัดเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มานะบางคนต้องรอปีใหม่นะรอวันสงกรานได้มาก็สามสี่วันก็ต้องรีบกลับแล้วนะแต่เรามีโอกาสมาถึงเจดวันนะตรงนี้ที่ว่าเราโชคดีแล้วนะเราก็นําสิ่งเราเนี่ยม า, ามาปฏิบัติกันนะเราจะได้ อย่างในน้อยก็เป็นหัวเชื้อให้เรากลับไปไปขยายขยายต่อไปนะเป็นหัวเชื้อว่าปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นอย่างไรนะทําอย่างไรวางกายวางใจอย่างไรนะเราเราก็ไปขยายทีิบานเราต่อก็ได้นะก็จว่าเรามีโอกาสในตรงนี้มาแล้วนะครั้งนี้นะเรารู้แล้วว่าเรามาปฏิบัติเพื่อความอาดับทุกข์นะ คันนี้ทุกเนี่ยในทางจิตใจเนี่ยมันก็มีปรากฏอยู่นะส่วนหนึ่งก็เกิดจากความที่เราเป็นความทุกข์ในความคิดนั่นแหละเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันธรรมนะอย่างตอนนี้เราบางทีเราบางทีเรากำลังยกมือสร้างอยู่บ้า ก, ก็จริงนะหรือกำลังฟังอยู่นี่ก็จริงแต่บางทีใจเราก็ใจลอยนะอะคิดไปในอดีตคิดไปอนาคตจิตใจฟุ้งซ่านไปไหลไปในรมต่างๆ ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะบางทีคิดไปในเรื่องเด็ดนะเรื่องเก่าแล้วนะเมื่อห้าปีก่อนนะเคยโดนคนเข้าดา่าเขาว่าเขานินทาเนะขาประจานนะเราก็มีความนะไม่พอใจขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะตรงนี้เรเรียกว่าเรามีความทุกข์เกิดจากความคิดนั่นเองนะอาจจะเกิดความผิดหวังนะ เกิจากการที่เราเสียใจในสิ่งเราสูญเสียของรักไปนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราคิดไปถึงอดีตในครั้งนั้นเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกครั้งนะ น, นี่ก็เรียกว่าเราทุกข์จากความคิดนั่นเองนะเมว่าคนเขามีดมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จากไปแล้วแต่เรายังมีมาแทงตัวเราเองนับครั้งไม่ถ้วนนะก็คือนะเรานํา ความคิดเดิมๆนะที่เราเคยมีความทุกข์นั้นมาคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะมาวนเวียนนะมายําคิดนะเราก็มีความทุกข์ดูครั้งนะเปรียบเหมือนเราเรามีมาแทงตัวเองแล้วนะเขาไม่ได้แทงแล้วครั้นี้เราแทงตัวเราเองแล้เราก็จะเกิดจากความทุกข์ในความคิดนี่แหละไปนาฎีดบ้างนะไปนอนาคตบ้างอนาคตบางทีก็ยังมไม่มถึงเราก็ไปวิตกไปกงังวลนะ จะเป็นอย่างไรนะจะอย่างโน้อย่างนี้นะจะแก้ไขยอย่างไรเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทําอย่างไรทั้งทั้งได้ยังมาไม่ถึงเลยนะในตรงนี้เขาเรียกว่าเราก็มีความทุกข์จากความคิดนั่นแหละบางทีจริงๆแล้วเหตุการณ์นาคด์มันไม่น่ากลัวหรอกแต่เราไปคิดเขาเรียกว่าเรากลัวเนี่ยมันมีความทุกข์ยิ่งแบบเผ ช, นะชิญเหตุการณ์จริงๆเสร็จนะเราเผชิญเหตุการณ์จริงมันยังไม่ทุกข์แต่การที่เราไปกังวลไปกลัวก่อน ไปวิตกกังวลนี่มันมีความทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเจอเหตุการณ์จริงๆเสกนะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็มีความทุกข์จากความคิดไปนะความทุกข์จากความคิดนี่ก็เป็นเหตุนําให้เรานะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเยอะแยะเลยนะบางคนนี่อ่าเป็นโรคกระเพาะนะ่จริงๆแล้วเป็นโรคกระเพาะนี่ไม่ใช่ว่าเกิดจากการรับประทานอาหารผิดเวลาแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเครียดนั่นแหละนะนะเป็นโรคกระเพาะนะลืม เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งก็เกิดจากความที่เกิดจากความเครียดนะเกิดจากความทุกข์ใจนั่นแหละก็เป็นมะเร็งได้นะอันนี้มีการที่เรียกว่าเขาก็เหมือนกับเคยหาข้อมูลในตรงนี้มาแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่พูดละกานพระจะเสียเวลานะก็คือความทุกข์จากความคิดนี่แหละมันทําให้เกิดความเครียดนะความเครียกก็เป็นสาเหตุนําให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคร้ายต่างๆ ต, ตามมาเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้น นะถ้าเราเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากความคิดนี่แล้วเนี่ยหลายๆอย่างนี่เราก็จะได้เข้าใจว่าเออแล้วเราจะไปคิดทําไมกันเยอะแยะนะะเราจะความทุกข์เกิดจากความคิดแล้วนะอ่ความทุกข์ในทางใจก็เกิดจากลมต่างๆมากมายนะอย่างเช่นอ่าเรามีคนค่ํา น, น, นินทาเราอ่าเราเรารู้มาเออเขานินทาเรานะะทั้งทั้งได้นินทาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็โกรธเขาล้วนะ การถานแล้วก็โกรธเขา่หรือด่าเราต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้เราก็โกรธเขาได้นะอนี่แล้วก็คือความที่เราไหลเข้าในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนอกจากความโกรธนะก็มีอความผิดหวังความเสียใจความน้อยใจอความเหงาความกลัวความกังวลใจความคิดถึงอความอาลัยอาวรณ์ ความบิจชาริษยาความหึงหวงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์นําให้เรามีความทุกข์ทั้งนั้นหรือแม้แต่เรามีความยินดีมีความพอใจมีความรักพวกนี้จริงๆแล้วก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดความทุกข์ในทางใจนี่มีมากมายนะวันๆหนึ่งจริงๆแล้วแล้วก็พบในสิ่งเหล่านี้มากมายนะแต่เร า, าสามารถรู้เท่าทันไหมว่าเป็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้น ครั้นี้ถ้าเราเข้าใจที่ได้ฟังในตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดจากความคิดหรือเกิดจากอารมณ์ต่างๆมีมากมายที่เราประสบมามีมากมายทั้งนั้นเลยนะถ้าเราจะออกจากความทุกข์จากอารมณ์ต่างๆหรือความคิดต่างๆเหล่านี้หรืออามทางใจนี้เราจะออกได้อย่างไรอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าความที่เรามีความคิดเป็นอดีตอ น, นาคตนั่นแหละ เป็นความทุกข์พราะเราก็เลยเปลี่ยนจากความคิดไปในอดีตหรืออนาคตเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันแทนนะคร น, นี้การมาอยู่กับปัจจุบันนี้เราจะทำอย่างไรนะก็คือมาทําให้เกิดการรู้สึกตัวนั่นเองนะที่เรามาฝึกนี่แหละให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะการที่เราคิดเป็นอดีตหรืออนาคตก็ดีนั้นเรียกได้อย่ากนะเป็นความหลงนะเป็นความหลง ความหลงคืออะไรความหลงก็คือไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังคิดอะไรนะไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังมีลมอะไรเกิดขึ้นก็คือไม่รู้นะปัจจุบันธรรมนั่นเองน ะ, นะบางทีเรายกมือในขณะเนี้แต่เราคิดไปถึงบ้าน น, ะออน่ยก็แสดงว่าเราหลงไปแล้วนะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันธรรมก็คือไม่ได้อยู่กับนะการยกมือสร้า ง, ยา ง, างหยองวะแล้วนะเพราะฉนั้นอะ การที่ติดใจหลงก็เป็นในความคิดนั่นเองนะมันจึงก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือพูดง่ายๆว่าความหลงนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกขนะ์คราวนี้สิ่งที่จะมาแก้ความหลงคืออะไรสิ่งที่เป็นคู่ปรับกับความหลงก็คือรู้นะรู้นั่นเองล้วก็เปลี่ยนหลงมาเป็นรู้นะมันที่หลวงพ่อําเขียนนะบอกนะเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้นะนะคราวนี้รู้เนี่รู้อะไรบ้างนะ รู้นะก็มีรู้ทางกายและรู้ทางใจสองย่างนะนะรู้ทางกายก็รู้ว่าเออขณะนี้เรากำลังยกมือสร้างอย่างไรอยู่นะยกมือขึ้นนะก็รู้นะยกมือลงก็รู้นะมือมาไว้ที่ท้องที่หน้าอกก็รู้นะ้มือกระทบก็รู้นะอันนี้เขาเรียกว่าเรารู้อนะ่ในทางกายหรือเรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้ในทางใจก็รู้ว่าขณะนี้คิดไปแล้วนะขณะนี้กําลังหลงไปแล้ว ขณะ น, นี้กําลังรักกําลังชงังกําลังโกรธนะเราก็รู้ในทางใจแต่นี้เนะี่ยการที่เรารู้เนี่ยอะไรที่มันง่ายกว่ากันนะการรู้ในทางใจก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเราไปคอยตั้งใจที่จะรู้มาไกลไปไปเพ่งอ่าไปคอยอ่าจับคอยจ้องนะคอยสังเกตนะ น, นี้ถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความมึนงงในการที่จะไปคอยดูว่าขณะ น, นี้กําลัง ใจกำลังนึกคิดอะไรจะได้จัดการนี่เขาจะได้ดับความคิดไปซะเลยนะอันนี้เราก็ไปคอยเพ่งคอยจ้องทำให้เราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความหนักแน่นเกิดความมึนเกิดอารมณ์ความเครียดเกิดขึ้นมาเพราะเราวางใจยังไม่ถูกต้องเพราะนั้นวิธีการหลงประเทียนก็เลยให้เราง่ายๆขึ้นว่ามาม า, มาอยู่กับรู้ทางกายแทนนะ รู้ทางกายนี่ก็จะง่ายขึ้นรู้ทางกายเนี่จริงๆแล้วมีอยู่เยอะแยะเลยนะในสติปัฏฐานสี่บอกว่าในอิบอดบัตประพระก็บอกว่าให้รู้อาการอิบทใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนเราก็ฝึกอยู่แล้วนะเหมที่เราเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนนี่เราก็อยู่ในบทที่เราอาชีพเยาวนอยู่แล้วแล้วก็รู้ไปตามความเป็นจริงขณะนี้ยืนรู้ไหม ขณะนี้นั่งรู้ไหมขณะนี้นอนรู้ไหมครั้งหนึ่งก็มีพราม์ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านล่วงทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราล่วงทุกข์ด้วยการยืนเดินนั่งนอนอพราม์ก็เลยหัวเราะเยอะบอกว่า อ, อชาวบ้านเขาก็ทำเชะนั้นอยู่แล้วนะชาวบ้านาก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกั น, นเรายืนก็รู้เรายืน เราเดินก็รู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งเราน อ, นอนก็รู้เรานอนอันนี้ก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้นะพรามก็เลยเอ่ยยอมรับตามความเป็นจริงเช่นนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะรู้หรอกว่ากําลังยืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้ในตรงนั้นนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราเรารู้ไหมรู้ทางกายไหมอ่าบางบางท่านก็เดินจงกรมก็ไม่รู้หรอกนะเดินนะ เดินไปก็คิดไปก็มีนะแต่ก็ไม่ใช่คิดตลอดเวลาบางทีก็รู้บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าหลงตลอดเวลานะเพราะฉนั้นก็ถูกต้องแล้วนะมันไม่ต้องรู้ตลอดเวลาหรอกนะครัน้นี้ต่อมาก็ในนะสามัญชนญาปะภะก็บอกว่าให้รู้ในบทย่อยทั้งหลายนะนะคู่แขนเยียดแขนนะดื่มกินนะก้มเงยนะสังสงสังคาติจีบอลนะเดินหน้าถอยหลัง อุจจรปัสสาวะต่างๆก็ให้รู้ในอบทย่อยทั้งหลายแหละอันนี้ก็คือเรามาฝึกในการรู้อิบทย่อยต่างๆด้วยนะการที่เรายกมือไส้หักก็เป็นการรู้ในบทย่อยก็คือรู้คู่แขนเหียดแขนนั่นเองนะรู้การเคลื่อนการไหวของมือต่างๆนะตรงนี้ก็รู้ในบทย่อยแต่ก็ไม่ใช่รู้แต่แค่นั้นเราก็รู้ในอิบทอ ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนั่นแหละนะครูบาอาจารย์นั่สอนไปแล้วนะให้เรารู้ทานข้าวแล้วก็รู้นะแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าพับพ้าหมนะก็คือตั้งแต่ตื่นนอนเข้านอนเลยนะก็ใหรร้รู้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการรู้ในบทใหญ่บทย่อยทั้งหมดนะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเรากลับมารู้ที่ ฐานกายนั่นเองนะก็คือร่างกายเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เราตามรู้ไปนะครานี้เพราเราตามรู้กายซึ่งเป็นของหยาบเนี่ยส่วนมากล้วก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเราก็ไม่ไปเพ่งหรอกนะไปเพ่งก็คือยกมือก็คอยไปไปจ้องที่จะรู้การเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยนะอันนั้นก็เป็นการไปเพ่งเอาอีกนะไปเพ่งนี่ก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องแต่ว่าอันนั้นเ่ะเป็นการเขาเรียกว่า ไปคอยประคองตัวรู้ให้นานเกินไปนะตรงนี้หลวงพระเทีถรบอกว่าให้รู้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คำว่าลูกโซ่ก็คือรู้เป็นครั้งครังรู้เป็นข้อข้อลูกโซ่นี่มันจะเป็นคล้องกันนะมันไม่ได้ยาวเหยียดนะรู้เป็นครั้งๆหรือรู้เป็นไข่ปลานั่นเองนะก็คือรู้แล้วเราก็ลงได้นะไม่ใช่ว่ารู้ยาวเหยียดไปพะหลวงพระเยรบอกว่าไม่ต้องรู้แบบเล็เส้นรู้เล็เส้นก็คือรู้ยาว ไปคอยประคองตัวรู้ให้ยาวๆไปเลยนะให้จิตไม่คาดเคลื่อนไปไหนเลยนะรู้ตลอดยาวเหยียดนะอันนั้นเรียกว่าไปไปคลองตัวรู้นะหรือไปคอยไปเพ่งเอาไว้นะอันนั้นก็ไม่ถูกต้องตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราอไปบัตรแล้วเราก็ลงได้เหมือนกั น, นแต่ลงแล้วเราก็รู้แล้วก็กลับมาอรู้สึกตัวใหม่นะอันนี้เราได้คะแนนแล้วนะพอะะลงมาเทียนยังบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะ ยิงคิดก็ยิงรู้ว่าเราหลงคิดไปเรารู้เอรู้เราหลงคิดไปแล้วนี่เราได้หนึ่งคะแนนแล้วนะอะแต่เราไปคอยเพ่งเขาไม่คิดเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คะแนนเพราะเราไปคอยบังคับเขาไว้นะตรงนี้เราจะได้อการบัติทำเราก็จะได้ง่ายขึ้นน้ไม่ได้ไปคอยอทําให้เขาอ่อยู่กับที่ให้นิ่งๆให้สงบะกลายเป็นความยากไปนะพราะเราหลงปุ๊บเราบันทษตัวเองเออถ้าไม่หลงนะ บ, บัดมาสีวะแล้วทำไมยังหลงอยู่อีกนะเราก็จะกลายเป็นว่าเราแทนที่เราจะรู้สึกตัวกับเราไปหลงซะเองนะก็คือไปหลงคิดนั่นเองนะกลับมาเราก็กลายว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวรู้จริงๆเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราเข้าใจนี้เราก็จะว่าเออมันหลงก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาเท่านั้นเองเราก็ได้คะแนนตลอดนั่นแหละคิดสิบครั้งหลงไปทัก8ดครั้งเรารู้ทัน ลงแปดขั้นนี่เราได้แปดคะแนนแล้วนะเนี่ยตรงนี้จึงว่าลุงพ่อเทียมบอกว่าจึงบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็หมายความว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองลงร้อยข้างรู้ร้อยข้างเราได้คะแนนเต็มร้อยแล้วนะคะแนนมากทีเดียวนะเพราะมันเป็นการไปปลูกท่านรู้นั่นเองนะการนี้เราอ่สร้าง ย, ยังหวะหรือเคลื่อนไหวนี่อะไร ป, ปลูกท่านรู้นะท่านรู้ก็ตื่นตัวขึ้นมาเรื่อยๆน ะ, ะเพราะนั้นเราจับประเด็นได้ถูกแล้วเราจะเห็นว่าอการบวชทานี่ไม่ได้ให้จิต ให้ให้จิตสงบนะไม่ให้คิดอะไรให้จิตสงบรู้ตลอดเวลานั้นกลายเป็นไปประคองไว้นะอันนั้นทําให้เกิดความเครียดความทรมานในการปฏิบัตินะแต่เป็นการที่เราเราไปปลุกท่านรู้นั่นเองนะพอเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเออเพราะมันจิตมันคิดแป๊บนึงเรารู้ทันนี้จิตมันตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะจิตไหลไปคิดแป๊บนึงเรารู้ทันจิตมันตื่นขึ้นมาครั้งนึ่งเลยนะ มันก็ตื่นบ่อยๆนะเขาเรียกว่าเราปลุกให้ทารู้เขาตื่นนะตรงนี้ก็จะทำให้จิตเนี่ยมีความนะมีความว่องไวในการที่จะตื่นรู้ได้นะอีกหน่อยพอคิดแป๊บหนึ่งเรารู้ทันนะนะพอเรารู้ทันความคิดอีกหน่อยพอเราโกรดนิดหนึ่งเราก็รู้ทันแล้วนะมันไม่ได้เข้าไปในความโกรธหรอกนะเราจะเห็นความโกรธได้ไวขึ้นนะจากเมื่อก่อนนี้นะเราโกรธเต็มที่เราค่อยรู้ทันนะครนี้พอเราเริ่มหงุดหงิดเริ่มไม่พอใจ อเราก็รู้ทันแล้วนะเพระเรารู้ทันมันก็ไม่เข้าในความโกรธความโกรธก็ดับไปเนี่ยเพราะว่าจิตมันเริ่มตื่นรู้แล้วนั่นเอง <c oughs> รู้สึกว่าพูดธรรมะที่ใดตัวนี้คือมาฟังมาไปจําเลยะ <c oughs> ไม่เป็นไรมาเพียนช่างเขาเถอะเนาะเขาอยากฟังก็ช่างกนะ็เถอะเนาะมาเพียนทำให้ารบกวนการพูดธรรมะไปด้วยเนาะ เนี่ยสองแล้วเมื่อก่อนพูดธามาก็ขึ้นมาฟังที่ม่เพียงกันไล่เราเองเนาะแม่เป็นไล่ให้เขาขึ้นมาฟังเถอะอ่าสบายมากเนาะอืมนั่นแหละก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะอ่าจิตยิ่งเรารู้ทันความคิดได้เร็วจิตมันก็ยิ่งตื่นได้มากขึ้นนะตรงนี้จึงเห็นว่าเราไม่ต้องไปคอยดูจิตอย่างที่ท่านบอกไว้หรอก แค่เรารู้สึกตัวเปแล้วเราก็เห็นความคิดได้เองนะอีกหน่อยจิตก็จะวัยขึ้นก็ไม่เข้าไปในลมต่างๆนะยกตัวอย่างรมต่างๆก็เป็นเลขห้าแล้วกันเช่นความโกรกเป็นเลข5้านะถือก่อนเราถึงเลขห้าเราต้องผ่าเลขอกหนึ่งสสามสี่ก่อนอ่าเราก็มีความหงุดหงิดความขัดเครื่องความไม่พอใจก่อนนะเราก็จะเห็นเลขหนึ่งตลอดเลยนะเห็นเลขหนึ่งก็กลับไปไปปกติได้ทุกทุกอารมณ์คือเลข5้าหมดอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตเราไวนะจิตตื่นแล้วเราก็เห็นเลข1ทุกๆอารมณ์นั่นแหละ ก็กลับมาที่เป็นปกติได้ทุกครั้งนะก็คือกลับอยู่ที่ศูนย์นั่นเองเนาะอ่าก็เป็นปกติได้นะเพราะว่าจิตตื่นแล้วนะแต่ถ้าเราจิตไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรนะเราก็ปไปบัตรไปเรื่อยๆไม่ก็ตื่นเองนั่นแหละให้เราไปบัตรให้ถูกต้องก็แล้วกันนะพอจิตเราตื่นแล้วมันเราจะรู้สึกว่าจิตเราก็มีความไปปกติได้เป็นประจาเราก็ไม่ค่อยทุกข์กับอะไรเท่าไหร่แล้วนะเน อ, ออีกหน่อยพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วใครมาด่าเราเราก็เฉย เราก็เข้าใจเออไม่ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะใครจะมานินทาเราก็เฉยๆเพราะเรารู้ทันอารมณ์เราแล้วนะนะไม่ว่าใครจะทําอะไรกับเราก็แล้วแต่เราก็เฉยๆหมดนั่นแหละนะยิ่งหน่อยถ้าเราว่องไวแม้แต่ใครมาชมเราเรายังเฉยๆเลยนะอ่าเพราะเรารู้ทันแล้วอ่าจิตมันตื่นแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ไหลไปอารมณ์ต่างๆแล้วนะอันนี้เป็นประโยชน์มากนะตรงนี้ นะพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะมันก็ละวายน้ําเป็นนะพอเราว่ายน้ําำในสระเป็นเราไปว่ายนะเรือล่มที่ไหนในทะเลมหาสมุทรแล้วก็ว่ายน้ําเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกที่วัดได้แล้วโอ้สบายนะเอออารมณ์ต่างๆไม่มีพิษมีภัยกับเราแล้วเนี่ยนะอีกหน่อยพอเรากลับมปกลับไปบ้านกลับไปที่ทํางานนะเกิดอะไรขึ้นในใจเราเ อ, อใครมาลินทาเราแม้ว่าเราไม่ได้ยินเราใครมาเล่ามาเราฟังเราก็เฉย นะหรือมานินทาเราต่อหน้าเราก็เฉยเฉยแม้แต่มาด่าเร า, เามาประจานเราต่อหน้าเรายังเฉยเเลยนะ เ, เพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งเราเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันก็เราเห็นอารมณ์นะแต่เราก็ไม่เข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นนะอ่จิตก็ค่อยๆเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆไปเรื่อยๆนะตรงนี้เป็นประโยชน์มากนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่ส่วนหนึ่งก็คือ ให้รู้จักตัวเราเองนั่นเองนะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะบางคนก็ไม่รู้จักตัวเราเองหรอกบางคนอายุต้องห้าสิบหกสิบยังไม่รู้จักตัวเองก็มีนะไม่รู้ว่าเป็นคนอย่างไรนะเป็นคนนิสัยอย่างไรนะบางคนโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธนี่ก็ไม่รู้จักตัวเองแล้วนะเป็นคนขี้อะไรนะขี้ฉารู้ไหมเป็นคนขี้ฉาเป็นคนขี้หึงรู้ไหมเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดขี้บ่นรู้ไหม เป็นคนขี้เครียดขี้น้อยใจรู้ไหมเป็นคนขี้งอนรู้ไหมเนี่ยมันต้องกลับมารู้จักตัวเองนะ่ะถึงจะถูกต้องนะแต่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราไปคอยเพ่งคนงอื่นโอ้คนนี้เลวคนนี้ชั่วคนนี้บ่นเก่งคนนี้โกรธเก่งอันนี้เราแสดงเราไม่รู้จักตัวเองนะเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ไปเพ่งที่คนอื่นแต่เป็นการกลับมารู้จักตัวเราเองนะรู้จักข้อบอกพร่องของเรานั่นแหละเราจรึงจะแก้ไขข้อบอกพร่องของเราได้ นะถ้าเราเมื่อจากข้อบกพร่องเราเองเราจะแก้ไม่ได้หรอกเหนะมือนกับคนบ้านั่นแหละคนบ้านะถ้าไม่รู้ตัวเองบ้านี่ก็ไม่หายบ้านะแต่ถ้าวันใดเริ่มรู้ว่าตัวเองบ้าแล้วนะ่ะอันนั้นก็จะเริ่มหายจากความบ้าแล้วมนะันการที่เราเริ่มรู้จักตัวเองนั่นแหละมันก็จะแก่นะสิ่งต่างๆในใจของเราได้นะไม่ว่าจะสิ่งนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะไม่แต่ความโกรธความโลบความหลงนะอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ดีแล้วก็แก้ได้ทั้งหมด นะเพราะการปบัติธรรมก็คือนะกลับมารู้จักตัวเราเองนั่นเองนะรู้จักกายรู้จักใจนะตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนี่แหละนะปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเรารู้ทันไหมนะตรงนี้สําคัญมากนะแต่เราไม่ได้ไปห้ามเขานะเอออย่าไปคิดนะปฏิบัติธรรมแล้วต้องอย่าหลงนะต้องอย่าไปคิดถึงบ้านนะปฏิบัติธรรมแล้วต้องไม่โกรธไม่รักไม่ชังอันนี้ไม่ถูกต้องนะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก คือเขาสามารถเกิดได้น ะ, ะความรักความชังความหลงเขาเกิดได้นะแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราไปให้ค่ากับเขาไหมไปให้ค่าคือเราไปปรุงแต่งต่อไหมนะเขาเกิดก็เกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เราไม่ไปให้ค่าเขามันก็จบแล้วนะเพราะการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ว่าตรงนี้นะมันจะสรุปง่ายๆขึ้นว่าเราสังเกตรอารมณ์เป็นไหมสังเกตสภาวะธรรมเป็นไหมนะ พอสังเกตแล้วเราก็รู้เฉยได้ไหมก็คือไม่ไปให้ค่านั่นเองนะเพราะไม่ให้ค่าก็จบในตรงนั้นนะมันก็ไม่ไปรักไ่ชังต่อแต่ถ้าเราสังเกตเป็นแล้วเราไปให้ค่ามันก็ไม่จบนะมันก็ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชังต่อนั่นแหละนะราอประการแรกนี้เราสังเกตเป็นไหมในสภาวะรรมต่างนะเมื่อสังเกตเป็นแล้วเราไปให้ค่ากับเขาไหมเรารู้เฉยได้ไหมเราสรักแต่ว่าได้ไหมนะ จิตไม่ไปปรุงแต่งต่อได้ไหมเนี่ยมันจะมันจะจบในตรงนั้นได้เลยนะตรงเนี้ยมันก็อ่ามันกายบัตรธรรมก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราไปบัติธรรมนี่ก็เพื่อที่จะให้เรากลับมาสังเกตตัวเราเองให้เป็นนะสังเกตเป็นแล้วก็รู้เฉยไม่ไปให้ค่าเข้าเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราทําไม่ยากนะในชีวิตเรานั่นแหละอ่านะมันก็จะรู้จักกายรู้จักใจตามความเป็นจริง นะเมื่อเรารู<_<_<_้จักเขาแล้วเนี่ยเราจะเป็นเจ้านายเขานะแต่ถ้าเรามืรู้จักเขาเขาก็เป็นเจ้านายเรานะเขาอยากจะทำอะไรเขาก็จะสั่งเรานะเป็นตันหามาสั่งเราในรูปรสกลิ่นเสียงพทธภาพธรรมลมนะให้เราไปหารูปที่ชอบใจให้เขาดูให้เราไปหาเสียงที่ชอบใจให้เขาฟังให้เราไปหาอาหารที่ชอบใจให้เราให้เขากินนะก็คือเขาสั่งเราได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเราเข้าใจเขารู้จักเขา เราก็จะเหนือเขาเราก็ไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆที่เขาชักจูงเราไปนะเขาอยากจะไปดูอะไรที่เขาชอบเราก็รู้ทันเขาอยากไปฟังอะไรที่เขาชอบเราก็รู้ทันเขาอยากกินอะไรที่เขาชอบเราก็รู้ทันเพราะเรารู้จักเขาแล้วนะว่าเขาก็คือตันหานั่นเองนะพอเรารู้จากตันหาเราก็เหนือเราก็เป็นเจ้านายตันหานะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันไม่รู้จักเราก็เป็นลูกน้องเป็นทาสของตันหา เขาก็คอยขี่คอเรามาตลอดชีวิตแล้วนะอ่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะขี่คอเราไปอีกอตลอดจนเราตายเลยนะต้องสแสวงหาลูปรถกินเสียงมาสนองเขานั่นแหละนะแต่ถ้าเรารู้จักเขาเราเป็นเจ้านายเ้าทันทีนะไม่ต้องอไปสแสวงหารูปรถกินเสียงมาสนองเขาซึ่งการสแสวงหานะั้นเราก็ด้วยต้องอทำด้วยความเหนื่อยยากนะ้ดยความลำบากนะบางคนมีเงินก็ไม่พอจะใช้นะก็เพราะว่าตรงนี้เราไม่รู้จักเขานั่นเองนะ เพราะนั้นถ้าเราตรงนี้แล้วเนี่ยหน่อยเราจะเหนือเขาเป็นเจ้านายเขาล้วชีวิตเราจะมีความสุขนะเป็นความสุขที่เรียกว่าตลอดไปนะตรงนี้ก็ขอทุกท่านนะก็มาปฏิบัติธรรมก็ขอทุกท่านเนี่ยเข้าใจชีวิตตัวเองนะเข้าใจกิเลสตัณหาตัวเองนะแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเ ร, เร็วเร็วพันทุกท่านเธอ